ข้อความในมหาสัจกะสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัญนาตข้อ405ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทรับอยู่ณกูตาคารสาลาที่ป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีก็แลสมัยนั้นตอนเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งสบงทรงถือบาตรและจีวร มีพระพุทธประสงค์จะเสด็จเข้าไปทรงบิณฑบาตณกรุงเวสาลีครั้งนั้นสัจจะสัจกนิครนเมื่อเดินเที่ยวไปมาอยู่เนี่ยก็คือต้องการจะโต้วาท่าอีกนั่นแหละก็เดินเค่ว่าเดินเข้าเดินป่วนเปลี่ยนไปมาหาจังวาหาโอกาสอย่างนั้นแหละก็ได้เข้าไปยังป่ามหาวันไปจะถึงกูตาคารสาลา ท่านพระนรนได้เห็นสัจการนิครนกาลังมาแต่กําลังเดินทางมาไกลครั้นเห็นแล้วก็ทูลคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสั จ, สจการนิครนผู้นี้เป็นคนพอใจนั่งสนนั่งสนทนาคือเป็นนักพูดนะนะเป็นคนชอบพูดชอบคุย ช, ชอบประคารมชอบแม้ยิ่งรู้ว่าคนไหนมีความรู้ความสามารถทัชนะคนเก่งได้เนี่ยถือว่า เป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นหาช่องทางหาโอกาสเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาจึงมีความพอใจชอบใจที่จะนั่งสนทนามากโดยเฉพาะสนทนาเรื่องลทัทธิเนี่ยนะสนทนาเรื่องลทัทธิเรื่องความเห็นต่างๆเขาเนี่ยยกตัวเองว่าเป็นคนเจ้าปัญญาทุกคนก็รู้นะว่าคิโมะ น, น่าดูเลยนะยกตัวเองตลอดว่าเป็นคนฉลาดมากมหาชนก็สมมติกันว่าเขาเป็นคนมีความรู้ดี บัดนี้เขามาอยู่ณที่นี้แล้วเนี่ยนะพระองค์ผู้เจริญสัจจการนิครนผู้นี้แลใครจะติเตียนพระพุทธเจ้าแสดงว่ามีปกติหาเรื่องพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดหาโอกาสที่จะติเตียนพระพุทธเจ้าหาโอกาสที่จะติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทับนั่งสักครู่เพื่อทรงอนุเคราะห์จะเป็นการดีเนี่ยนะ ก็อันที่จริงแล้วเนี่ยนะเขาเนี่ยถือว่าเป็นอาจารย์ของกุมารฤชวีบุตรประมาณ500เนี่ยนะก็เรียกว่าเอาลูกชาววังมาเรียนทั้งหมดเนี่ยนะก็คือเขากา็มีความทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงพอสมควรในทางลาภยศและตำแหน่งเนั้นการที่พระพุทธเจ้าเข้าไปเผยแพร่พระศาสนาในกรุงพายสาลีเป็นที่เคารพบูชาของกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยเพรา ะ, ะนั้นก็ถือว่าเขาเองนี่ก็ สูญเสียอะไรไปไม่ใช่น้อยเหมือนกันถ้าเขาชนะพระพุทธเจ้าได้ลาบสการะทั้งหมดจะมาตกลงที่เขาแต่เพียงผู้เดียวมันก็สแสวงหาโอกาสที่จะอ น, นะโต้ตอบไปอะไรไปแต่ดีว่าการคบกับบัณฑิตการสมาคมแกกับบัณฑิตนั้นแม้แต่ครั้งเดียวก็ยังเป็นไปเพื่อบุญวาสนาในอนาคตอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็มีเจตนาลมจะมาท้าประลองโต้ว่าท่ากับพระพุทธเจ้า เขาก็ได้บุญกลับไปเนี่ยนะได้ที่ที่ที่ถูกต้องกลับไปได้มีโอกาสถวายทานกับพระพุทธเจ้ามาครั้งนี้ก็เหมือนกันก็คิดจะมาหาเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่แหละเสร็จ แ, แล้วก็ได้ได้บุญได้วาสนาต่อไปเนี่ยนะครั้งนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนพุทธอาสนะที่เขาจัดปูเอาไว้แล้วสัจจกะนิครนก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นเข้าไปถึงแล้วก็ได้บันเทิงปราศัยล้วนแต่ถ้อยคําที่ให้บันเทิงให้ระลึกถึงกันกันกนกบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ไปสนทนาปราใสทักซักถามสารทุกสุขดิบสนทนาเรื่อว่าหน้าชื่นตาบานกันทั่วเหมือนกั น, น, นเสร็จแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นสัจจกะนิครนนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้กล่าวคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่ามีอยู่พระโคโดม ประกาศละที่ตัวเองนะนะพระโคโดมพวกสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งประกอบความเพียรแต่กายภาวนาอยู่แต่ไม่ประกอบจิตตภาวนาพระโคโดมสมณะพราหมณ์เหล่านั้นก็ย่อมถูกความถูกทุกขเวทนาถูกต้องในสรีระหมายความว่าตัวเองเนี่ยทำแต่ความเพียรเรื่องปฏิบัติทางกายอย่างเดียว น, น, นะภาคเพียรทํากายภาวนาอย่างเดียวทุกทั้งหลายก็เกิดในสิริระ พระโคดมเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อบุคคลที่ถูกทุกขเวทนาเกิดขึ้นในสรีระถูกต้องแล้วเป็นไงการเมื่อยขาบ้างก็มีบางทีก็ปวดหัวใจหรือหัวใจจะแตกบ้างเส้นเลือดร้อนออกจากปากก็มีบางทีก็เสียจริตเป็นเพี้ยนบ้าไปเลยก็มีอ่ะพวกนี้อะไรเพราะพวกนี้เจริญแต่กายภาวนาใช่ไหม กระโคดมจิตนี้เนื่องด้วยกายจิตนี้เป็นไปด้วยอำนาจของกายของบุคคล น, นั้นเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้อบรมจิตคือเนื่องจากว่าพอกายพอฝึกกายมากเข้ามากเข้ามากเข้ า, ขาทรมานกายยิ่งยิ่งขึ้นเรียกว่าทากายยภาวนาเนี่ยเนะจริญกายยภาวนามากขึ้นเท่าใดในที่สุดกลายเป็นคนบ้าที่บ้าไปเพราะอะไรเพราะจิตมันเนื่องด้วยกาย เพราะฉะนั้นจิตมันต้องอาศัยกายมันเป็นไปกับกายถ้าไปเอาแต่กายใจมันก็บ้าแค่นั้นเลยปราณนั้นนะเนี่ยอันนี้ข้อที่หนึ่งต่อไปเขามีอยู่พระโคดมอีกพวกหนึ่งแล้วนะส่วนสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประกอบความเพียรแต่ทางจิตตภาวนาพวกนี้เอาแต่เรื่องจิตเป็นหลักแต่ไม่ประกอบภาวนาทางกายเรียกว่าพวกนี้ไม่ภาวนาทางกายภาวนาแต่ทางจิต พระโคดมสมณะพราหมณ์เหล่านั้นก็ถูกทุกขเวทนาเนี่ยนะทางจิตและเจตสิกพระโคดมเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อบุคคลที่ถูกทุกขเวทนาทางจิตถูกต้องแล้วก็เมื่อยขาปวดหัวใจหัวใจแตกโลหิตร้อนออกจากปาก ถึงความเป็นบ้าเสียจิตไปก็มีวิปริตวิปริตวิปรลาตไปเลยก็มีเพราะกายนี่มันเนื่องด้วยจิตเป็นไปตามอํานาจของจิตบุคคล น, นั้นก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาไม่ได้อบรมกายสรุปทำแต่กายอย่างเดียวในที่สุดบ้าก็ได้อบรมแต่จิตอย่างเดียวถ้าไม่อบรมกายมันก็บ้าเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเอาอันใดอันหนึ่งมันไม่ดีพระโคโดม ทีนี้อ่าที่จริงอ่ะนะนี่เขามาขายหลักการอ่ะนะจริงก็มั่วม่วคิดเาดาเดาเกี่ยว่าคิดคาดกะเดาเอาไปเองว่าถ้าอบรมแต่กายอย่างเดียวถ้าไม่อบรมจิตพอสุขภาพกายไม่ดีเพียนอีกถ้าเอาแต่จิตอย่างดีเนี่ยนะเพราะเพราะความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเดียวในที่สุดก็กลายเป็นบ้าเพราะฉะนั้นอันที่ถูกต้องกระเท่ากเขบอกว่ามันต้องเจริญทั้งกายและจิตจึงจะถูกต้องต้องทําทั้งกา ย, ยะภาวนาจิตะภาวนาเสร็จแล้ว พระโคดมข้าพเจ้าเนี่ยนะความสําคัญของข้าพเจ้ามีอยู่ว่าสาวกของพวกพระองค์อะ่ะสาวกของพระสมณะโคดมคงประกอบความเพียรแต่จิตตภาวนาไม่ประกอบกายยะภาวนาอย่างแน่นอนก็แปลว่าระวังลูกศิษย์ท่านให้ดีๆนะเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวเพี้ยนกันเนี่ยนะเพราะแหมเอาแต่จิตตภาวนาไม่เห็นทํากายยะภาวนาเลยเนี่ยนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ถามว่ากายยะภาวนาของท่านเนี่ย ท่านฟังมาว่าอย่างไงคือคือท่านมีความเข้าใจอย่างไงเรื่องกายภาวนาเขาก็ยกตัวอย่างเรื่องกายะภาวนามาว่าพระโคโดมก็ท่านผู้มีชื่อเหล่านี้ชื่อว่านันทานามสกุลวัชโคตเนี่ยนะเาเทรวาชื่อนันทะวัชโคตเนี่ยนะหรือท่านกีสะสังกิ จ, จโคตท่านมัคคลิเกิดในโรงโคค็เร า, ามัคคลิโคศารคือท่านทั้งนันทวัชโคต นนะกีสะสังกิต จ, จโคดหรือท่านมัคคิริโคสารทั้งสท่านล้วนแต่เป็นคนเปลืยไร้มารยาทเลียมือไม่รับพัดที่บุคคลร้องมาบอกว่าท่านเจ้าข้าหยุดก่อนก็ไม่รับคือเขานี้มนให้มารับก่อไม่เอาบุคคลตรงเข้ามาให้ก่อไม่เอาบุคคลเจาะจงมาถวายก่อไม่เอาอาหารที่เขานิ้มนให้ไปรับก่อไม่เอารับ ไม่รับอาหารจากปากหม้อก้นกระทะพวกที่ยืนคร่อมประตูให้ก็ไม่เอายืนคร่อมท่อนไม้ยืนคร่อมสากบวถวายไม่ให้ทั้งนั้นน่ยหรือชายหญิงที่กำลังเกินข้าวกันเอามาให้ก็ไม่ยอมหรือคนมีคันก็ถวายก็ไม่รับหญิงแม่ลูกอ่อนให้ลูกดื่มนมอยู่ก็ไม่เอายิงที่กําลังไปหาชายชู้ก็ไม่เอาไม่รับพัดของทั้งหลายที่เรียอะไรกันมาเนี่ยบอกบุญเรียอะไรมาก็ไม่เอาไม่รับพัดตาหาร ที่ที่มีสุนักปรากฏแมลงวันไต่ตอมไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่ดื่มสุรามีไรไม่ถ้าจะดื่มก็ดื่มน้ำเจือด้วยกแกลบบคือเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางทีก็รับแต่เรือนหลังเดียวกินคำเดียวรับสองหลังก็กินสองคำตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดแหละถ้ารับ7 เ, เรือนก็กิน7คําคำพอ บ้านละคำก็พอเพราะฉะนั้นบางทีก็กินอาหารด้วยถาดน้อยใบเดียวบางทีก็สองถาดสามถาดนะนะไอถาดกระทะเคยเห็นถาดเส้นเจ้าไหมบางทีก็เล็กๆกนะันนะั่นนะนะบางทีก็นู่นนะกินสิบเจ็ดถาดบ้างบางทีเนี่ยเอาอาหารมาเก็บไว้หนึ่งวันจึงจะกินบางทีก็เก็บไว้สองวันสามวันเจ็ดวันมากินก็มีหรือบางทีก็อดเนี่ยนะปฏิบัติตามวาระอย่างนี้บางทีก็ครึ่งเดือนกินทีก็มี อันนั้นเราอันนี้แหละกายภาวนาของเขาแปลว่าอะไรทาตัวให้มันทุกทรมานมากดีนะถ้าเข้าใจวิธีฝึกของทหารบอกนั่นแหละทหารฝึกนั่นแหละเป็นกายภาวนาโดยซิมไปเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอคิเวสนะอ้าวก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยนะที่ทำตัวอดอยากปากแห้งอย่างที่พูดเนี่ยนะยังชีวิตให้เป็นไปด้วยการบริโภคอาหารเพียงเท่านั้นหรือใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นตลอดไปใช่ไหมกินอยู่แค่นั้นนะ หาไม่ได้พระโคดมบางคราวพวกท่านเหล่านั้นก็ขบฉันของที่ควรขบฉันที่ประณีตประณีตฉันโภชนะที่ประณีตประณีตลิ้มของที่ประณีตประณีตดื่มน้ําควรดื่มที่ประณีตประณีตท่านเหล่านั้นก็ยังถือกายให้มีกําลังขึ้นแปลว่าต้องขุนร่างกายให้มันมีกําลัง ทำร่างกายให้เติบโตด้วยไขยมันอย่างนั้นนะแต่ว่าในที่สุดก็กลับมาปรนปลือกายตามเดิมบางครั้งก็อดอยากปากแห้งเคยทุกข์เคยยากเคยอดเค ย, เคยอค ย, ยากเคยลำบากในที่สุดก็มาบริโภคกินอิม่มน้ำสำราญไปหมดเลยอคิเวสนะท่านเหล่านั้นละการทำสิ่งที่ทที่มีในการก่อนเสียแล้ว เสร็จแล้วในที่สุดก็เวียนกลับมาอิ่มหนำสำราญในภายหลังตอนแรกทาตัวเป็นคนอดคนอยากคนทุกคนอยากใช่ไหมตอนหลังก็กลับมาอิ่มกินอิ่มนอนหลับแพร่เลยแหละความเจริญและความเสื่อมย่อมมีแก่กายนี้ปกติใช่ไหมกายนี้มันอดอยากผ่ายพ้อมก็เพราะขาดอาหารถ้าได้อาหารมาบํารุงกายนี้ก็เจริญขึ้นเพราะความเจริญเจริญของกายความเสื่อมของกายบางทีก็เนื่องด้วยอาหาร น, นี่มันสอบถามเรื่องกายภาวนาแล้วใช่ไหมกายภาวนาของสัจจการิครนเข้าถืออะไรถือการทรมานตนเป็นกายภาวนาใครที่ทรมานตนเท่าไหรนั่งสวันเจ็วันไม่บิดไม่เปลี่ยนนี่แหละพวกนี้แหละทากายภาวนาทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกที่ฝึกทรมานตนเดิน camel, ทั้งวันทั้งคืนหรือว่าอดอยากหลับนอนกินน้อยนอนน้อยพักผ่อนน้อยทํำทรมานที่สุดเรียก ว, ว่ายังทําตัวให้เดือดร้อนเท่าไหร่นั่นแหละคือกายภาวนาของเขา อันนี้มิจฉาทิฏฐินะอย่าไปเชื่อตามเด็ดขาดเลยนะเพราะอันนี้เขามามาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าความเชื่อของเขาอ่ะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็ถามมาเอาละจิตตภาวนาของท่านนั่นฟังมาว่าอย่างไรอย่างไรชื่อว่าเจาริญจิตเมื่อกี้เจริญกายของท่านก็คือไปทําตัวให้มันลําบากเอาละจิตตภาวนาของท่านเป็นยังไงสัจกาณิครอนอันพระพุทธเจ้าทูลถามถึงเรื่องจิตตภาวนาก็ไม่สามารถจะกราบทูลได้เงียบเลยเนี่ยนะ คือ <K r ere ly> ไม่คิดว่าจะเจอไม้นี้เข้าไปเนี่ยนะคือปกติเนี่ยเมื่อคนอื่นมาแย่ตัวใช่ไมพวกนี้มันจะดิ้นรนแต่เจอพระพุทธเจ้ า, าเข้าเ <K r ere ly> ข้ามาถามเ้าละคุณเข้าใจเรื่องที่คุณถามแค่ไหนเอาถามเรื่องกายะภาวนาเาลกายะภาวนาของคุณคืออะไรมาถามเรื่องจิตตภาวนาอาจิตตภาวนาของคุณคืออะไรยกเรื่องกายะภาวนาแต่ไม่รู้เรื่องกายะภาวนายกเรื่องจิตตภาวนาก็ไม่รู้เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยนะ นงางเมื่อวานก่อนยองเออเขามาถามเรื่องนิโรธสมาบัติโอ้โหลึกซึ้งมากเลยนะเขาถามเรื่องนิโรธสมาบัติทําไมพระธรรมต้องเข้านิโรธสมาบัติก็ว่างั้นนะนะเออเขาก็ เ, า เ, า เ, าเรียนอะไรม้างก็ทังธรรมะฟังมานี่นี่ห น, น่อยหน่อยเนี่ยนะโอ้โหมันก็บอกว่าอะไรนะกุศลอ ก, กุศลยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยถามเรื่องนิโรธสมาบัติเนี่นะรู้สึกว่าคนคนตอบนี่เพลียใจยเลยเห็นละวเนี่ยนะ ว่กเปลี่ยนเรื่องอื่นเถอะไม่มีเรื่องคุยยังไงเนี่ยนะคือคือตอบอยังไงเราก็สงสัยจะเหนื่อยฟรีว่างั้นเถอะคือคือเขาไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้อะไรเลยทำไมต้องเข้านิโรธสมาบัติคำถามเนี่ยนะโอเนี่กเรื่องมันยาวแต่อย่างเงี้ยอ่านก็ไม่ชอบฟังก็ไม่เอา